พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25ตุลาคม2554มีเมีชื่อเรื่องว่าปฏิปทาของหลวงปู่แหวนสุจินโนวันนี้เป็นวันที่25ห้า ยี่ห้าตุลาพุทธศักราช2554 25ห้าในวัดของเราครูบาองไหนจะไปเปลี่ยนไปภาวนาสถานที่ภาวนาก็ได้นะแต่ข้อสำคัญอย่าไปเปลี่ยนสถานที่คุยกันเท่านั้นนะวัดของเรากว้างขวางพันพันกว่าไร่กุฏิกระต๊อบกระแตบมีมาก เป็นสถานที่หลีกเป็นสถานที่หลีกเล่นภาวนาถ้าเราจะภาวนานั้นหลีกได้ลวงตามหาบัวท่านมาท่านยังชมวัดเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนานะลวงตาท่านพูดหลายครั้งในเอ็พสในเทปก็ยังมีอยู่เป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาถ้าก้าใครอยากจะภาวนาหนะลีกเล่น มีร้านเล็กๆอยู่ทางหลังวัดแต่ละวันไม่อยากจะให้ไม่อยากจะพบอยากจะเจอใครก็ได้อยู่ตามลำพังเพราะห่างพาะที่แต่ละที่ห่างกันแล้วก็พร้อมกันก็น้ำก็สะดวกเพราะปล่อยน้ำไปกเกือบทุกกุฏิขว่าได้เกือบทุกร้านอยู่ในป่าที่จะสงน้ำอาบน้ำ ก็ได้น้ำดื่มตามถังน้ำก็ได้แต่ว่าตัวเองจะพร้อมมากน้อยยังไงแค่ไหนถ้าว่าคนขี้เกียจไปที่ไหนก็เดี๋ยวก็ติว่ายุงมากเดี๋ยวก็ติว่าเสียงนกร้องเดี๋ยวก็ติว่าอากาศมืดไปเดี๋ยวก็ติว่าแดดส่องมากเกินไป มันมีแต่ที่ตีทั้งหมดคนขี้เกียจพระขี้เกียจนะถ้าทำให้ขี้เกียจแล้วก็เราอยู่ในใต้ฟ้าจะไม่ให้มันมีสิ่งเหล่านี้จะมีได้อย่างไรก็ต้องหลีกเล่นหามมุมสงบพอสมควรถัดมุมไหนสงบล้วก็นั่งภาวนาหามุมสงบอย่างหลวงปู่แหวนหลวงพ่อไปอยู่กับท่าน พอตอนบ่ายออกจากห้องพักที่พักตอนบ่ายท่านก็ถือไอ้ท่านชู บ, บุรีนะบุรีเขาเรียกบุรีขี้โยบุรีทางเชียงใหม่เขาพันเกาะยาวๆเป็นคืบนะแต่ท่านท่านก็ถือบุรีไปสักคำหนึ่งจากนั้นก็ถือผ้าผ้าซดผ้าซดคล้ายๆว่าเป็นผ้าจีวรผ้าอาบน้ําน่ะ ท่านจี๊ดจี้เป็นชิ้นๆจากนั้นท่านก็บิดมันก็ฟันให้มันเป็นสองเกีียวแล้วก็เอาเชือกมัดไว้ไปสุดส้นสุดก้อนท่านก็ถือไปอันสองอันจากนั้นก็ผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งผูกศีรษะก็ถือไม้เท้าถือไม้เท้าก็เดินเดินไปหาที่มุมสงบ บางทีก็ไปเห็นกุฏิเล็กๆออที่คนไม่ผ่านอยู่ชานกุฏิท่านก็บปดเปื้องผ้าอาบน้ําอยู่บนศีรษะของท่านเออเวียงไปเวียงมาตุกตับตุกตับตุกตับปัดฝุ่นว่างั้นพอไม่มีใครไปไม่มีใครไปปัดฝุ่นให้นะอท่านก็ปัดตุกตับตุกตับเสร็จแล้วท่านก็วางผ้าอาบลงปูผ้าอาบลง จากนั้นท่านก็ถอดรองเท้าก็ขึ้นไปกันนั่งไม้เท้าเพียงไหมจากนั้นก็เอาผ้าเ อ, เ, อ เ, อ เ, อเอ๊อาบน้ำที่ว่าเป็นฉีกเป็นชินช้นๆทาเป็นชุดเขาเรียกชุดสําหรับไล่ยุงไล่ลิ้นท่านไม่ได้ใช้ยากันยุงนะ เ, เป็นฟันใ้เป็นสองเกลียวจากนั้นท่านเอาไฟจุดจุด้นเขามันพอจุดชนเขามันท่านก็วางเอาไว้ข้างๆ แต่เนี้ควันมันก็ถอยถอยอย่เนี้ยนนะ่ะพวกลิ้นตัวเล็กๆมันกัดมันคันนะมันถูกควันผ้านะมันจะไม่มาใกล้นะ่ะหนีไปหมดพวกยุงพวกลิ้นจากนั้นถ้ากันนั่งภาวนาจะตามลำพังเนะพ่อท่านหลวงปูแ่แหวนคอเอียงเนะ๊ยเวลานั่งเนียคอเอียงข้างหนึ่งวะนะล่ะหลวงพ่อนะ่ะ ไปสอดๆมามองดูๆ ด, ด, ดูอยู่เรื่อยเหมือนกันท่านนั่งภาวนาของท่านอยู่เงียบของท่านพอจากนั้นพอเสร็จนั่งออกจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สูบบุหรีะนั่งสูบุหรีปุ๊ยตามลาพังเสร็จแล้วก็เดินลงมาเอาผ้ารับพับแล้วก็ ปกศรีรษะแล้ว่ะเดินเดินไปตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วก็มาส่งน้ำค่ะอันนี้คือแนวทางรล้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหาหมุมสงบไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งอยู่กุฏิทีเดียวท่านก็ไปนั่งกุฏิหลังนู้นหลังนี้บางหาหมุมสงบแล้วก็พร้อมการท่านก็เตรียมยาทําไมนะักยากันจุงไม่มี แต่ทำของอย่างท่านน่ยถูกละเพราะมันไม่ไม่มีพิษมีภยัยยาทุกวันนะยากันยุงทุกวันนี่บางทีมันกับแพ้มันกันนะบางองค์จุดใช้ยากันยุงมากไม่ดีแต่ใช้ผ้าอย่างที่หลวงปู่แหวนท่านทำเอาผ้ามาเสีกมาเป็นสองชิ้นแล้วมาฟัน่นให้มันเป็นเกลียวจากนั้นเอาไฟจุด ไฟมันก็ไหม้ทุยทุยเป็นควันขึ้นมานี่แห ะ, ะเป็นเป็นยากันยุงในตัวนี่แหละครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นแก่ท่านทำอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือแนวทางสำหรับครูบาอาจารย์พระผู้เท่าพระผูนั่นะท่านก็ต้องภาวนาของท่านไม่ใช่ว่า ท่านหมดกิเลสแล้วท่านจะจะอยู่เฉยไม่ใช่นะอันนั้นคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พระหันอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใครเขาว่าท่านท่านก็พยายามท่านภาวนาท่านภาวนาของท่านไม่ใช่ภาวนาละกิเลสนะ่ท่านภาวนาด้วยเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอยู่ของผู้รู้ความบริสุทธิ์ของท่านนะเรียก ว, ว่าวิหารธรรมเป็นอยู่ด้วยเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้านะ่ะเนี่ยจากนั้นก็เดินท่านก็เดินไปตาม ต, ตรวตาดูตามวัดตรงไหนตรงไหนแต่หลวงโดยมากท่านไม่ว่าอะไรหรอกหลวงปู่แหวนแต่ไม่หลวงปู่หนูเท่านั้นแนหะ่ะหลวงปู่หนูไม่ได้นะเดินชงชางชงช้างไป ก่านเห็นทงไหนที่มันดีทั้งดตั้งดุทั้งด่าเด็กให้ไดย้ยากเอาญ้ากท่านก็ยืนคุมเด็กโอ้มันลินมันก็เยอะอนะ่ะเด็กอจะเอาตัวนั้นเอาตัวนี้แต่ด่าเก่งนะลงุงปู่หนูนะพอด่าแต่ละคำนะโอ้โหเจ็บแสบมากท่านก็ด่าไปอย่างนั้นลนะ่ะ ลูกใครลูกใครทั้งค็รู้อยู่พวกบ้านแม่ปังฮนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ยุ่งกับนั่นหรอกมีแต่ดูแลองค์หลวงปู่แล้วก็ดูแลกุฏิดูลแลศาลาฮนะทั้งที่บวชมาเป็นพระนะนะเป็นพระแนละ้วทำตัวเป็นสมณเนรเลยวนะ่างั้นทำหน้าที่สมณเ น, นไปอยู่กับหลวงปู่สององค์เพราะไม่มีเณนเลย มีแต่พระด้วยกันสามองค์มีหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูกับหลวงพ่ออยู่วัดรอยแม่ปังอันนี้พูดให้ฟังนีก็คือแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านภาวนาท่านทําอย่างไรไม่ใช่ว่าท่านจะอยู่ที่กุฏิของท่านอย่างเดียวท่านก็เดินไปหาภาวนาหามุมสงบกลางวันมันถก็เดินเดินไปหามุมสงบนั่งภาวนาของท่าน แต่เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็เดินลงมามาเห็นผ่านสระน้ํนมมานะนกเป็ดเริ่มมาแล้วนะนกเป็ดเริ่มมาเลยเสียงกําลังเจ้าเจ้าล่ะเพราะหน้าหนาวหนาวจากเมืองจีนก็าใช้บีเลียเนี่ยมันลงมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่มันมาอยู่วัดของเราเนี่ยหน้าหนาวเลยเต็มไปหมดเป็นพันๆตัวแต่นี่นยังไม่ถึงหรอกกําลังเริ่มมาแล้วเดี๋ยวนลย แต่ว่าตัวที่มันอันตรายคือคื อ, คอตัวเนี่ยตัวเฮียเมื่อเช้าเนี่ยเดินลงมากระโดดลงน้ำตามอะไรตัวเฮียตัวเหลืองเหลืองแต่ไม่ใช่ตะกวดนะมันเหมือนเหมือนกันนะตะกวดกับเฮียแต่ว่ามัรูปทรงของมั น, นตัวเฮียมันตัวเหลืองเหลืองแต่ตะกวดนสีดำแต่ลักษณะถ้าดูผิวผิวเผินก็เหมือนเหือนกันน่ะ แต่สังเกตดูเราจะรู้ว่า น, นี่คือตัวตัวเงินตัวทองอันนึงตั ว, ต, วตัวตะกวดนะแต่เมื่อเช้าเห็นตัวเหียโดดลงน้ำต่าหลวงพ่อเดินมากันเลยนึกนึกสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเฮียเกิดเป็นตัวเงินตัวทองพระเทวทัตเกิดเป็นลือสีสมัยหนึ่งลือีเป็นพราม ก็เลยออกจากคาวาสก็เลยไปบวชอยู่ในป่าหิ ม, มาพานต์แต่ี้พอบวชอยู่หลายปีรือสีก็หิวใกลเข้าวัาอยากจะรสอยากจะทานรสเกลือในป่ามันไม่มีเกลือ ไ, ไม่รู้จะเอาอะไรแทนเกลือมันต้องเข้ามาในเมืองเพราะในเมืองมันใกล้ทะเลใกล้บออเกลือ เขาจะมีเกลือคายแต่ลือสีอยู่ในป่าเลยกินแต่ผลละหมากรากไม้อยู่ตลอดมันหิวโหยมันเหนื่อยเพลียมันขาดาธาตุเกลือลือสีก็ต้องนา น, น, านๆเด็ดเข้ามาหาไก่มนุษย์เพื่อจะได้กินรสเผ็ดเข็มจากมนุษย์นะจะนั้นลือสีนั่นก็เข้ามาเข้ามาก็มาอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็ไปบินทบาตมาฉัน นั่นก็อยู่ที่นั่นแท้เลยในพันหน้าหน้าหน้าฝนหน้าแรงก็คงจะเข้าไปหรือบางทีอาจจะอยู่ตลอดต่อต่อไปก็ได้แต่สุดแต่จะสับปะยะไม่สับปะยะแต่นี้ลือสีนั้นก็อยู่ในป่าอยู่ในที่ป่าละมาะแล้วก็มีจอมปวกอยู่จอมหนึ่งใกล้ๆใกล้ก ล, ลือสีอยู่แต่นี้ลือสีกับสาธยายมนตที่ท่านได้เรียนมานั่นก็ตกตอนเย็นมากับตั้งก ชาทยายนมนภูมพูมบำบาปูมปูมบาบำคนนั้นไอตัวเหี้ยนั้นก็มันก็ค่อยคลานออกมาอยู่ในจอมปลวกนั่นแหะอยู่ใกล้ๆฤาษีคลานออกมาจากรวนมาก็พบมองดูป่วนเปลี่ยนหากินใกล้ๆร้านที่พักของฤาษีนั่นหละฤาษีก็เห็นไม่เป็นไรพออยู่ต่อมาต่อมาเดี๋ยนั้นฤาษีไปบินทบบาทในบ้านเขา ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเหี้ยย่างให้ใส่บาตรฤๅษีบะนะัดเพราะใส่บาตรฤๅษีฤๅษีได้กินเนื้อเหี้ยเท่านะั้ติดใจติดใจในเนื้อเหี้ยโอ้เหี้ยตัวอยู่จอมปัวกข้ามีอยนะเดี๋ยวข่าจะจัดการมันนะเนี่ยเออนี่แหละเกิดความโลภมันเห็นแก่กินนะออในเหตุปูปิกระยะปาปัง นะเหตูปิเคระยะปาปังไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินแต่ฤาษีเนี่พอไ ด, ได้กินเนื้อเฮียแตติดใจในเนื้อเหียนะเลยก็เลยอยากจะฆ่าเฮียกินบนะัตนี่ยพอบินบาตรฉันเนื้อฉันเฉินเนื้อเฮียติดใจในเนื้อเฮียวันนั้นวะพอวันรุ่งคืนเอี่ฆ่าจะจับยังไงนะจับ เฮี้ย er, ตัวนี้กินเลยนะว่ามันมาป่วนเปลี่ยนแถวเนี้ยจะจับวิธีการยังไงถ้าแกก็เตรียมค้อนตะพดพอเหมาะเหมาะมือไว้สองสามค้อนมางั้แนแหละเออเจนี่ตัวเฮี้ยมันจะฉลาดเนี้ยเออเป็นเฮี้ย er, พระโพี่สัตว์ใช่ไหมเออถึงจะเป็นตัว er, เฮี้ยกระจิงอยู่แต่มันมันมีแววแห่งความฉลาดมันมีอยู่ในตัวเหี้ยนั้น มันก็โผล่หัวออกมาก่อนที่ก่อนมันจะออกจะมาจากครูเนะ่ยพอออกมาจากลูซือสีนี่เกิเหลือบสายตาแป๊บไปเห็นเฮี้ยออกมาแล้วเว้ยตื่สีเกิเตรียมค้อนตะพดไปแล้วงั้น่ะแต่เฮี้ยตัวนั้นมันมองเห็นตาลื้อสีขนาดแป๊บเอ๊ะลื้อสีท half, ําไมวันนี ah erm pues ้สายตาลื้อส oh ีทําไมผิดปกติว่ะ เออตัวเหี้ยมันก็ฉลาดอย่างที่ว่านะมันสังเกตนะไม่เหมือนพระวัดเราเนะ่ยพระเราเนี่ยเสื้อเสื้อซาสนขนาดเอจอบเสียบ ม, มีดผ้าวางไว้อย่างเตะพัดตะพืองงั้นแนะ่ละมันไม่เหมือนตัวเหียนะเนี่ยเหียตัวนั้นใหม่มันโผล่ออกมาวันมองแป๊บเนอะ้วันนี้ถ้าจะไม่เป็นมิตรกับข่าจะแล้วนะหรือสีเนี่ยงั้นเอ๊ะทําไมวะ เทนี้ก็เที่ยตอนนั้นจะออกมาเลยมาออกมากบบบระเบบไปเหยาะเยาะยองย่องเหมือนกันแะเอ อ, ออกมาด้วยความระมัดระวังตาเนี่ยเหลือดูฤาษีตลอดแต่ฤาษีเด็กันท่าเธอเฉยเหลือเป็นบางครั้งเหมือนกันแหละไ อ, อ้คนที่จะฆ่าคนอื่นมันเป็นอย่างไงนะ อ, อให้แกมีชั้นเชิงเหมือ น, น, นกันแต่ทนี้ฤาษีตัวเฮียก็พยายามดูดูไม่เป็นมิตดละวันเดียวกัน คิดมีเหตุแน่แน่เหี้ยต้นนั้นมันดูดูฤาษีว่างั้นไอฤาษีนี่เกิดเหี้ยต้นมันมามันไม่ได้จังหวะที่จะมาใกล้ๆกระโดดไปค้อนพบหัวมันเลย ม, มันก็ไม่ได้จังหวะมันก็อยู่ห่างๆกระหลบๆห่างๆไงทางฤาษีก็คิดว่าขนาดนี้คงจะไม่พลาดเป้าแล้ววะของนั้นก็เลยคว้าค้อนตะพดอยู่ข้างๆของนั้นเอยลุกขึ้นมาก็รีบลุกขึ้นมาก็สซัดเวียงเสียเล้ว่าไง เพราะงั้นเออต้มันไม่ถูกเฮียทตเนี่ยมันข้ามหัวเฮียไปว่างั้นเถอะมันไม่ไม่ไม่ถูกจังหวะสายป๊อบวิ่งเฮียก็วิ่งพอดเข้าไปในรัแล้วงั้นเถอะพอวิ่งเข้าไปในรูหัวโผขึ้นมาเออหัวโผขึ้นมาลือสีเออเสียหลักเลยว่าเออข่าเฮียไม่ได้หัวโผขึ้นมาลือสีก็เลยกล่าวขึ้นว่าเอ้ย ไอ้ตัวเงินตัวทองไว้ออกมาสิวะเนี่ยเรามีปีดีเรามีเกลือเรามีอาหารให้กินกันแล้วกันนะ่ะออกมานะทางเฮียตัวนั้นก็บอกโผล่ออกมาท่านทําไมคิดทําร้ายข้าข้าไม่ได้คิดทําร้ายท่านสักหน่อยเลยไอ้ทาไมท่านจึงทําอย่างนี้ท่านทําไมทําตนเป็นลือสีไอ้ท่าน มีหนังเสือเป็นผ้านุ่งหม่มมีสายปีหนังเสือเป็นสายเป็นเครื่องตะพายเป็นผ้าเป็นผ้าหม่มท่านทำตนเหมือนฤาษีเป็นผู้ทรงศีลแต่ที่แท้นะแต่ภายในภายนอกของท่านนะเป็นทำเรียบร้อยเป็นเหมือนนักพจนักบวช แต่ภายในของท่านลกลุงหลังเต็มไปด้วยกิเลสความโลภโกรดหลงแต่ภายนอกของท่านทำตนเหมือนเป็นผู้ทรงศีลเป็นฤาษีประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรด้วย เขา่าหนวดเขาหนวดเขา่าลูสี่ไว้หนวดเข่าเนี่ยฉดาคือคือมุ้ยผมนประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรด้วยหนวดเขาของท่านประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านหนังเสือคือเอาหนังเสือเป็นผ้านุ่งหม่มเพราะลูซี่เขานุ่งห่มหนังเสือเนะี่ยไม่มีเสื้อผ้าก็เอาหนังเสือเป็นผ้านุ่งหม่มผ้านุ่ง ประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านภายในของท่านลกลุงหลังทําท่านทําทตัวเป็นลือสีแต่ภายนอกคล้ายๆกับว่าเฮียนะปลามาดเลยว่าลือสีเนะี่ยทำตนเป็นลือสีแต่ทางในไม่มีศีลสักตัวเลยอยากจะฆ่าเขากินอยากจะฆ่าเหียกินอีกต่างหากลือสี ได้ยินเท่านั้นน่ะเราจะหนีให้ห่างไกลเฮียตนั้นนะเฮียตนะบอกว่าเราจะมุดลงไปในลูให้ห่างไกลเป็นชั่วร้อยคนเราจะไม่อยากจะเห็นท่านอีกท่านตรงหนีจากที่นี่ชนะถ้าท่านไมน่หนีข้าวจะประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าท่านเน่ยเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้ไม่มีศิ น, นท่านไม่มีฮิลิโอตตปะพอ ลือศีได้ยินเธอเนี <c> ่ย <oughs> เก็บของเปิดแหนบข้อป่าไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ น, ะนี่แหละอันนี้คือชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นเป็นตัวเฮียมะพระโพธิสัตว์เป็นตัวเฮี้ยพระเทวทัตเป็นลือศีนี่แหละขั้นท่าว่าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าหมุนล้อกองกงมองกลมกงเกวียนไปเจอกันเมื่อไหรนะ่ต้องได้เรื่องทุกทีแล้วงั้นนะพระเทวทัตเนี่ยจะต้อง จะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าทันทีนะจะเป็นสัตว์ที่ไร้ชา้นจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตรย์ด้วยกันก็เถอะเป็นเจรษฐีพ่อค้ามาด้วยกันก็เถอะถ้าเห็นกันแล้วแปลว่าเป็นอริเป็นศัตรูกันเลยล่ะพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเพราะได้ผูกเวรกันเอาไว้ในอดีตชาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังที่จะไมเป็นพ่อค้าทองน่ะเป็นครั้งแรกที่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าผูกพยาบาทกั น, นะแต่เขานี่ท่าน มาเป็นตัวเฮีย เ, เทวทัตเป็นลือสีแต่คําคมนะเอเฮียจะได้พูดเป็นคําคมประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรด้วยหนวดเข่าของท่านภายในของท่านรกรุงรังท่านทําตัวเหมือนเป็นลือสีแต่ภายนอกอันนี้ใครๆว่าทุกคนให้ให้มองตนเอง สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ให้ทุกคนให้มองตนเองอย่าทำตนให้เรียบร้อยแต่ภายนอกภายในของท่านไม่มีใครรู้ว่าตัวเองทำอะไรเป็นผู้สงศีลและไม่พงศีลคิดดีและคิดชั่วไม่มีใครรู้นอกจากตัวของเราเนอะรู้แปลว่าตัวเฮี้ยแต่สอนมวยลือสีว่างั้นเถะนนเนี่ยแหละชาโดกนี่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกและเป็นเครื่อง ชี้นาแล้วเป็นเครื่องบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เหมือนกันนะอย่าอย่ามองแต่ภายนอกสรุปแล้วนิทานของหรือหอสีเหี้ยตัวนี้ให้มองตนเองด้วยนะทามองตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีปรับปรุงแก้ไขถ้ามันไม่ดีอทามันดีแล้วก็เอือส่งไว้ก็พยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงไหนที่มันไม่ดี แก้ไขปรปับปรุงออกอย่าไปอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําไม่ดีแล้วเนะี่ยขนาดสัตว์ร้ชาตยังตําหนิได้ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์มนุษย์ก็ต้องตําหนิขนาดสัตว์ร้ชาติยังตําหนิแล้วมนุษย์ไม่ตําหนิจะว่ายังไงบัณฑิตนักปลาระทั้งหลายก็ต้องตําหนิแต่ว่าเฮียตัวนี้นเฮียพิเศษจักหน่อยเหมือนกันนะตัวเงินตัวทอง ต, ตัวพิเศษจักหน่อย พอมันมีปัญญาเห็นไหมขนาดจะออกจากรู้ยังเหลือบสายตาดูตาของฤาษีเนี่ยไม่เป็นมิจะแลัวธ์เนียทำไมเป็นอย่างนี้วะแตกคอนทำไมไม่เป็นอย่างนี้วะเนี่เก่งนะตัวเฮียตัวนั้นรับพร อ, อนุโมทนาให้พร